ภาษาวกอาทิพระโมกคลานะภาษาลิบุตรไปถามพระพุทธองค์ว่าป่าเนี่ยงามเพราะเหตุใดพราะภิกษุเช่นใดพุะเจ้าก็ตัดตอบว่าป่างามก็เพราะาภิกษุที่ทำความเพียร น, นั่งกายตรงดำรงสติมัน่น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 การทําความเพียรที่เรียกวันเนสัศชิกคืออยู่ในเรืยบทนั่งก็ดียืนก็ดีหรือเดินนะแต่ว่าไม่นอนหรือเรียกง่ายๆว่านะทําความเพียรข้ามคืนเนี่ยสำหรับหลายท่านเนี่ยนี่คงเป็นประสบการณ์แรกนะหลายท่านหลายคนอาจจะ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 บางทีก็มาในโลกของความขุนเคืองโกรธแค้นบางทีก็มาในรลกของความความโลภหรือตัณหาเรียกว่าการมาฉันทะแต่ว่าที่มาเด่นนั่นก็คือไอ้ความง่วงนี่แหละตัวหลงนี่มันพั้งพลูเข้ามากระแสะเชี่ยวกลากมากนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสยบ อยู่ในอานาของมัให้ได้ก็คือหลับนะหลับไหลไร้สติการที่เราพยายามตื่นทั้งคืนเนี่ยนะมันก็ต้องต้องเจอกับอ่าจะเรียกว่ากองทับนะของตัวหลงก็ได้มันก็มาชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่า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 นะความปวดความเมื่อยหรือทุกขเวทนามันก็ช่วยทำให้หลุดจักทุกได้นะหลวงพ่อเขียนนะท่านเคยพูดประโยคหนึ่งนะอยู่บ่อยครั้งนะว่าในทุกนะัมีความไม่ทุกอันนี้ก็ท่านก็พูดบ่อยครั้งพอๆกับที่พูดว่า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 การเจอกันมีเงามืดได้ก็เพราะมีแดดถ้าไม่มีแดดก็ไม่มีเงามึดนะทั้งที่มันตรงข้ามกันนะแต่ว่ามันจะเรียกว่าอยู่ด้วยกันก็ได้หรือว่าเป็นปัจจัยกันให้ลองดูดีๆนในทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์แต่จะเห็นได้ก็ต้องแต่จะเข้าใจได้ก็ต้องหมั่นเห็นนะ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 ประตูสู่ความไม่โกรยประตูสู่ความไม่ทุกข์ก็คือการปล่อยวางนะไม่ยึดมันถือมันน่งมองทุกข์หรือรู้จักทุกข์มันก็เห็นนิโรธนะที่พูะเจ้าเนี่ยเมื่อตัดสอนอริยรรสัจสี่เนี่ยทรงสอนทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจข้อแรกตามมาด้วยสมุดไทยนิโรธแล้วก็มรร แล้วก็องคสอนว่าให้รู้จักจ ก, กําหนดรู้นะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ในะอย่างที่เราสวนมาสักครูนะ่เนี่ยทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้ในที่ที่ใช้กับปริญญานะคำว่ากําหนดรู้บางคนก็ไปเข้าใจว่า ห, หมายถึงเพ่งนะจึงมันคือการรู้รู้ทั่วรู้รอบนะประิญญาแปลว่ารู้รอบรู้ลักษณะอาการของมันแล้วก็รู้ว่ามันมีสาหเหตุจากอะไรเมื่อเห็นใจแห่หงทุกนะ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 อดของดีแต่ถ้าเราจับทุเรียนไม่ดีนะมันก็เจ็บนะมันก็ตํำ ม, มือเราต้องรู้จักเฉานะฉาออกมาก็จะเห็นก็จะได้ของดีนะคือเนื้อทุเรียนที่หวานหอมนะอร่อยนั่นทุกคเหมือนกันนั้นถ้าเราพิจารณาดวมก็จะเห็น หนทางสู่ความไม่ทุกข์ซึ่งก็ต้องอาศัยการดูการเห็นการมองหลวงพ่ อ, ขอเขียดึงน้ำึงเน้นย้ำเสมอนะเห็นอย่าก็ไปเป็นเห็นดูมองพิจารณาการเห็นที่มันทำให้เกิดปัญญานะ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 มันนะพิจารณานะดูทุก์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาที่เกิดกับกายหรือใจหรือว่ารวมทั้งอารมณ์ที่ทําให้เป็นทุกข์นะความโกรธนะความวิตกกังวล น, นะความเครียความเศร้าถ้าเราไม่ไปไปรวมหลั่นพันตูกับอารมณ์เหล่านั้นนะหรือว่าไปคล้อยตามมันนะ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 เราจะรู้ทุกได้กับพ่อเราเริ่มต้นจากการเห็นทุกก่อนเห็นถึงรู้นะแล้วรู้ก็จะละได้นถ้าเราหนีทุกนะไม่กล้าเผชิญทุกนี่แล้วเราจะรู้จักทุกได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักทุกเราไม่เห็นทุกเราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงทางพ้นทุกได้ก็เวลามันเจอทุกทีไรนะก็อย่าไปกลัวมัน เพียงแต่ต้องระวังอย่าเข้าไปเป็นนะทุกข์กมีไว้เห็นนะไม่ได้มีไว้เป็นนะ น, นี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ทุกข์มีไว้เห็นอย่าเข้าไปเป็นไอ้ที่มันย่ำแย่เพราะเข้าไปเป็นนะแต่ถ้าเราตั้งหลักมาเห็นมันนะมาดูมันนะปัญญาก็เกิดแล้วทุกข์ก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจได้อันนี้ก็เป็นคำสอนหนึ่งของหลวงพ่อนะที่ อยากใชพอได้พิจารณานะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อใ ก, ใ, กใกล้ๆเวลากับช่วงที่หลวงพ่อมรณาภาพนะประมาณตีห้าตัตมานี่พอทาวัดเสร็จนะวันที่23สิามงหาเนี่ยปั ญ, ญายาเสร็จนะลงไปข้างล่างนะทำไชีเมียวชฉือก็มารอบอกว่าหลวงพ่อไม่ดีแล้วนะอาการไม่ดีแล้ว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 นะถ้ามาคบปีล้วก็มาทำเพื่อเป็นอาเจริบูชานะถาวายท่านอย่างที่เราได้ทำนะในค่ำคืนที่ผ่านมานะก็ยุติเพลงเท่านี้กลับภาพพร้อมกัน